บทภาชณีติกาปาจิตตี47อนุปสมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสมบันสอนให้กล่าวทำเป็นบทบทต้องอบัติปาจิตตีอนุปสัมบันิภิกษุไม่แน่ใจสอนให้กล่าวทำเป็นบทบทต้องอบัติปาจิตตีอนุปสัมบันิภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสมบันิสอนให้กล่าวทำเป็นบทบทต้องอบัติปาจิตตีทุกทุกกฏ AH อุปสมบันภ no. <Under> no. ิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสมบันสอนให้กล่าวธรรมเป็นบทบทต้องอบัตทุกกฎอุปสมบันภิกษุไม่แน่ใจสอนให้กล่าวธรรมเป็นบทบทต้องอบัตทุกกฎอุปสมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสมบันสอนให้กล่าวธรรมเป็นบทบทไม่ต้องอบัต